มีเสือเมียนอำเภอท่านหนึ่งแม้จะมีตำแหน่งเล็กๆแต่จิตใจนั้นเตยมด้วยเมตตาธรรมเป็นคนรักษาระเบียบวินัยนของราชการอย่างเคร่งครัดมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งไม่ทำสิ่งใดที่ผิดศีลธรรมส่วนในอำเภอนั้นเป็นคนดุร้ายอยู่มาวันหนึ่งในอำเภอสั่งเคี่ยนผู้ตองหาที่ไม่ยอมรับสารภาพตีจนเนื้อแตก เลือดไหลนองพื้นก็ยังไม่หายโกรธเสมียนอำเภอตนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกข่าที่หน้าโต๊ะว่าความของในอำเภอขอให้ปราณีนักโทษหยุดตีสีในอำเภอตอบว่าปราณีน่าได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษากฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โรกรธใครได้ เสมียนอำเภอจนโคกศีรษะลงกับพื้นพลางพูดว่าผู้ที่เป็นคุนนางทำไมชำระความตามเหตุผลข้อเท็จจริงเอาแต่อารมณ์ตนเป็นใหญ่รัศดรย่อมไม่มีตัวอย่างอันดีงามให้ประพฤติปฏิบัติตามจิตใจของรัศดรหาที่ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะไม่ได้การชำระความนั้นแม้จะสอบสวนได้ความจริงออกมาแล้วก็ไม่ควรดีใจ จะทำให้เกิดความประมาทเลินเลิกไม่ได้ความจริงที่อยู่ลึกกว่าความจริงที่ผิวเผินทำให้การชำระความผิดพลาดได้ง่ายแม้จะได้ความจริงทั้งหมดออกมาแล้วก็ยังไม่ควรดีใจควรจะเสียใจและสงสารที่เขาทำผิดไปโดยความจงใจก็ดีพอรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ยังต้องนำเมตตาธรรมมาร่วมกับการมินิจฉัยคดีความด้วยทางใดที่จะพรอห น, นักเป็นเบาได้ก็ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปแต่แสดงความโกรธมากมายเช่นหีผู้ต้องหาเกรงอายาก็จะรีบยอมรับเสียก่อนทั้งทั้งที่ตนไม่ได้ทำผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะไม่เป็นการปลักปรำรัศฎรไปนะ ดีใจยังเป็นการไม่บังควรจะโกรธได้ทิ่ไหนในอำเภอสำนึกในคำพูดของสมิทธ์อำเภอตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าสแสดงความโกรธความดีใจในขณะที่ชำระความอีกเลยสมิทธ์อำเภอท่านนี้ฐานะยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ำไม่เคยขูดรีดราษดรไม่ยอมรับของกำนันจากใคร มีแต่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและนักโทษวันหนึ่งมีผู้ต้องหาหลายคนที่อดอยากมาตลอดทางจากหุมเมืองไกลหน้าตาซีเซียวหมดเรียวหมดแรงหน้าหาสีเลือดไม่ได้แล้วเป็นที่น่าสงสารยิ่งนักบังเอิญที่บ้านของเสเมียนอำเภอทันนี้เข้าสารก็กําลังจะหมดเหลืออยู่มื้อสุดท้ายเท่านั้นถ้านํามาให้ผู้ต้องหาเหล่านี้แล้วท่าน และภรรยาก็ต้องอดข้าวมือนั้นด้วยท่านจึงปรึกษากับภรรยาเพื่อให้ภรรยาได้เป็นผู้ตัดสินใจตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละข้าวมือนั้นนำมาต้มข้ต้มเลี้ยงผู้ต้องหาทั้งหมดต่อมาพริย่างท่านก็ให้กำเนิดบุตรชายสองคนล้วนแต่ได้เป็นคุนนางผู้ใหญ่ในเวลาต่อมาและหลานของท่านอีกสองคนก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เช่นกัน สมัยพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ปีคริสต์ ศ, ศักราช1436ถึง1449หรือพุทธศักราช1979ถึง1992มีคุนโจรก่อกวนจราจนขึ้นที่เมืองฝูเจี้ยนมีรัษดรและนักศึกษาสนับสนุนขุนโจรกันมากมายฮ่องเต้จึงโปรดกล้าวให้ในทหารคุมทับออกปราบปราม ในทหารท่านนี้หาทางจับขุนโจรได้โดยไม่สูญเสียชีวิตไพรพนและรัษฎรเลยต่อมาทางด้านตะวันออกของเมืองฝูเจี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยู่มากมายนายทหารท่านนี้จึงบัญชาคุณนางแซ่เจียในกรมหัตไทยของเมืองนั้นให้ออกกวาดล้างแทนท่านถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมดสิน้นแต่ท่านเจีย ไม่ยอมปฏิบัติตามท่านกลับไปคนล่อไปแจ้งแก่รัศดรว่าถ้าใครไม่เข้าข้างโจรก็ให้เอาผ้าขาวแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านในวันที่กองทหารจะเข้าไปตรวจค้นโจรในแต่ละบ้านและสั่งห้ามมิให้ทหารกมเหงราษฎรถ้าบ้านใครมีผ้าขาวแขวนอยู่ก็จะไม่ถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นเป็นอันว่าครั้งกระนั้น ราษฎรและนักศึกษารอดตายประมาณหนึ่งหมื่นคนท่านเจียมีคุณธรรมลำเลิศต่อมาบุตรชายสอบได้ที่หนึ่งได้เป็นจองวนรับราชการจนได้เป็นใจเสี่ยงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในราชการฝ่ายบุญหรือฝ่ายบริหารประเทศนั่นเองและหลานชายของท่านเจียต่อมาก็สอบได้ที่สาม ได้รับราชการเช่นกันที่เมืองฝูเจียนมีตระกูลหนึ่งแท่หลินบนรรพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมากชอบทำขนมเลี้ยงคนจนใครมาขอขนมก็รีบกุริกุจอตักให้ไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเต้าหญินมาขอขนมคุณยายท่านนี้ทุกเช้า และขอมากๆเส่นด้วยท่านก็ไม่เคยบ่นว่าตักให้มากๆทุกวันเป็นเวลาสามปีแต่รลดระยะสามปีนี้ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวไม่เคยให้น้อยไม่เคยเบือ น, นายต่อการให้สามปีประดุษหนึ่งวันเต้าหยินแอบชมเชยนางอยู่ในใจว่าจะหาใครให้ทานได้สม่ำเสมอ โดยไม่อิจนาระอาใจเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วท่านจึงพูดกับนางว่าอาตมาฉันขนมของท่านมาสามปีแล้วจึงใครจะขอตอบแทนพระคุณท่านเศรษฐีที่หลังบ้านของท่านมิทิว่างอยู่ถ้าท่านทํำฮวงซุยในบริเวณนี้ได้ต่อไปลูกหลานอีกหลายๆชั่วคนของท่านจะได้เป็นขุนนางถ้าจะเปรียบก็พูดได้ว่า จะเป็นคุณนางมากมายเท่ากับมเมล็ดงานหนึ่งถังใหญ่ทีเดียวถ้าลองคิดดูก็แล้วกันมเมล็ดงานนั้นน่ะเล็กเพียงไรอยู่ในถังใหญ่ๆจะมีปริมาณมากเพียงไรต่อมานางได้ถึงแก่กรรมลงบุตรชายจึงนำไปฝังไว้ณที่นี้อีกไม่นานตระกูลนี้เข้าสอบครั้งแรก ก็สอบได้ถึง9คนได้ได้เป็นคุณนางทั้งหมดเช่นกันได้เป็นคุณนางทุกชั่วคนจนมีคำร่ำาลือกันไปทั่วว่าไม่เคยมีครั้งใดที่การสอบไล่จะไม่มีคนในตระกูลหลินติดอันดับอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลเผงบุตรชายรับราชการในกองประวัติศาสตร์แห่งชาติ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 จนฟื้นดีดังเดิมคืนนั้นท่านฝันไปว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมาพูดกับท่านว่าเป็นการยากยิ่งนักที่เจ้าสามารถช่วยเหลือคนในฟื้นรอดตายได้อย่างบุตรวิตเราจะให้หานฉีมาเกิดในตระกูลของเจ้าต่อมาบุตรชายที่ทำงานในกองประวัติศาสตร์อยู่ในเวลานี้ก็เกิดมาจึงขนานนามว่า ฉีตามที่ฝันไปหานฉีท่านนี้เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งปีคริสต ศ, ศักราช 960-1127 ถหรือพุทธศักราช 1503-1670 ถึงเป็นคุนนางในตำแหน่งใจเสี่ยงถึงสองราชการคือพระเจ้าอินจงฮ่องเต้ปีคริสต ศ, ศักราช1 6ึ4 1 6 7 หรือพุทธศักราช 1,607-1,610 ถึง ร, ระเจ้าเสินจงฮ้องเต้พุทศักราช1 6 1 8 1 8 5หรือพุทธศักราช 1,611-1,628 ถึงเป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นที่เกรงขามของชาวต่างประเทศยิ่งนักเกียรติคุณของท่านแผ่ไพศาล มาถึงแก่อันิจกรรมแล้วพระเจ้าเสริญจงหงเต้ได้โปรดกล้าวสถาปนาเป็นที่จงเสียกงเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเองเพื่อความจงรักภักดีและรักชาติยิ่งมีคุณนางท่านหนึ่งแซ่อิ่งเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในวัยกลางคนได้เป็นซิวชายแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นคุณนางจึงไปนั่งท่องจำราที่เขาแห่งหนึ่งซึ่งปลอดจากผู้คนมารบกวนมีเสียงปิศาตร์ร้องกันมากมายชุมนุมกันอยู่ในบริเวณนั้นท่านแซอิงก็ไม่กลัวอยู่มาคืนหนึง่งท่านได้ยินเสียงปิศาตร์คุยกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเดินทางไปหากินอย่างแดนไกลนานแล้วไม่กลับมาพ่อผัวแม่ผัวก็เลยบังคับไปผู้หญิงคนนี้ แต่งงานสมัยผู้หญิงไม่ยอมจะมาแขวนคอตายบริเวณนี้ในคืนพุ่งนี้พีศาสตร์ตัวหนึง่งซึ่งก็ผูกคอตายเหมือนกันเมื่อมีคนมาแทนก็จะได้ไปเกิดใหม่สถทีท่านแซ่อิงได้ยินเข้าก็บังเกิดความสงสารผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจับใจจึงนำที่นาของตนไปขายอย่างเงียบๆได้เงินมาสี่ตำลึง เขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งแล้วส่งไปยังบ้านของแม่ผัวพ่อผัวกับผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เห็นจดหมายก็รู้ว่าไม่ใช่ลายมือของบุตรตนพากันสงสัยแต่แล้วก็ลงความเห็นกันว่าจดหมายนั้นอาจจะปลอมกันได้แต่เงินนั้นถ้าไม่ใช่ลูกแล้วจะเป็นใครส่งมาให้ล่ะก็เชื่อกันว่าลูกของตนคงสุขสบายดีจึงส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ ก็เลยกลับใจไปบังคับไปหลอกสะพ้ยไปแต่งงานใหม่ต่อมาบุตรชายของตนกลับมาสามีปัญญาก็ได้อยู่กินเป็นปกติสุขตลอดมาอยู่มาอีกคืนหนึ่งท่านแส่เอ็งก็ได้ยินปิศาจพูดอีกว่าฉันน่าจะมีคนมาตายแทนแล้วเจนะแต่สิ่วชายเนี่ยทำเสียเรื่องหมดปิศาจอีกตนหนึ่งก็พูดว่า งั้นเราก็ช่วยกันฆ่าเสตตปีศาจตนแรกบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเทพเจ้าเบื้องบนเห็นเขาไม่คนใจดีได้แต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางในยมโลกใครก็ทำร้ายก็ไม่ได้เสียแล้วท่านแซอิงได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นยามเกิดทุบกิกภัยก็นำข้าไปแจกจ่ายแก่ผู้อดอยาก ยามญาติมิดเดือดร้อนก็ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถยามประสบภัยพิบัติก็ไม่เคยโทษฟ้าโทษดินกลับโทษตนเองว่าได้ก่ออาคุลกรรมมาจึงยอมรับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างสงบเมื่อได้เป็นคุณนางแล้วลูกหลานก็ยังเป็นคุณนางอีกมากมายมีสิ้ชายท่านหนึ่งแซสวี บิดาเป็นผู้มั่งคั่งในเมืองสูจโจมีอยู่ปีหนึ่งฝนแรงมากท่านจึงให้าชาวนาทำนาของท่านฟรีไม่เก็บค่าเช่านาเลยเป็นตัวอย่างอันดีงามที่เจ้าของนาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นท่านยังนำข้าวที่เก็บไว้มาแจกจ่ายกับคนยากไร้อีกด้วยพราตกกลางคืนก็ดยินเสียงปีศาจมาร้องว่า แม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้งก็ไปเ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่ซิ่วชายในตระกูลสีนี้ได้เป็นจีเยินแล้วพิสารร้องอยู่ทุกคืนติดต่อกันนานจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีการสอบไล่ซิ่วฉายท่านนี้ก็ไปสอบกับเขาด้วยปรากฏว่าสอบได้เป็นจีเยินจริงตามที่พิศารมาร้อง มีดาของท่านเห็นว่าการทําดีเพียงเท่านี้ยังได้ผลดีทั้งเพียงนี้ท่านไปยิ่งมุมานะทําดียิ่งยิ่งขึ้นสะพานจํารุดท่านก็ให้คนไปซ่อมเสียให้ดีถนนทุนทางครุกคละสัญจรไม่สะดวกท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อยภิกษุที่ไม่มีโยมอุปถากท่านก็ทําสําหรับกับข้าวไปถวายทุกวัน ใครขาดแคลนข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าและอื่นๆท่านก็จุนเจืออยู่เสมอไม่ให้อดอยากยากไรไม่ว่าใครจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างไรท่านช่วยได้เป็นช่วยทันทีต่อมาปิศาจก็มาร้องอีกทุกคืนว่าแม้จะพูดสักพันครั้งหรือหมื่นครั้งกัะเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่จีเยน ในตระกูลสีนี้จะได้เป็นคุณนางผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงสุดในภูทอนต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมีคุณนางอีกท่านหนึ่งแท้ถูรับราชการอยู่ในเรือนจำที่เมืองเจียยฟางท่านพักอยู่ในเรือนจำแต่มีเวลาว่างท่านก็จะไปคุยกับพวกนักโทษเพื่อจะได้รู้ความจริงว่า นักโทษนั้นทำผิดจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีนักโทษหลายคนที่ไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาต่าถึงทําบันทึกไปมอบให้ผู้บังคับบัญชาการพิจารณาโทษในสมัยนั้นต้องผ่านการพิจารณาคดีสามขั้นตอนด้วยกันมาสอบสวนได้ความอย่างไรในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งตัวนักโทษมายังคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ที่จะสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ความอย่างไรแล้วก็นำทูนกล่าวถวายห้องเตะให้ทรงินิจฉัยอีกทีหนึ่งโดยแยกเสนอนักโทษออกเป็นสามประเภทคือประเภทที่หนึ่งกระทาความผิดจริงประเภทที่สองเป็นนักโทษที่รอการลงอาญาได้ประเภทที่สเป็นนักโทษที่โกนให้อภัยโทษ ทั้งหมดนี้ก็สุดแล้วแต่ฮ่องเต้จะทรงมินิจฉัยอย่างไรถ้ารับสั่งให้ประหารก็ประหารทันทีส่วนพวกที่รอการลงอญญายาถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสำคัญของฮ่องเต้ท่านแสตถูนี้เมื่อท่านสอบสวนได้ความจริงจากนักโทษแล้วท่านก็ทำบันทึกส่งให้ผู้บังคับบัญชา ทมเนียมในสมัยนั้นถ้าบูไดสามารถสืบได้ความจริงว่านักโทษไม่ผิดแต่ถูกปลักปรำก็จะได้รับความดีความชอบแต่ท่านแซ่ถูนี้ท่านไม่ได้คิดเอาดีเอาชอบกลับยกความดีความชอบนั้นให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตนมีความประสงค์แต่จะช่วยแก้ทุกข์ให้กับนักโทษเท่านั้นนักโทษ ปลดปล่อยเพราะท่านในขณะนั้นสิบกว่าคนรัษดรต่างพากันชื่นชมยินดีโดยไม่ทราบว่าติดแท้เป็นการปิดทองหลังพระของท่านแท่ถูนั่นเองท่านแท่ถูยังเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ว, ว่าในเมืองหลวงแท้แยังมีผู้ถูกปลักปรา ม, มากมายเช่นนี้ถ้าหัวเมืองที่ไกลปืนเที่ยงออกไปจะได้รับความอายุติธรรมขนาดไหน ควรที่จะแต่งตั้งคนดีมีความยุติธรรมเป็นผู้ตรวจการต่างพระเนตรพระกันทุกๆห้าปีควรมีผู้ตรวจการไปรื้อฟื้นคดีมาพิจารณากันใหม่แต่เป็นการกระทำผิดจริงก็ยังจะต้องพิจารณาว่าได้พิภากสาลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่าถ้าหนักไปก็ควรผ่อนให้เบาลงแต่เบาไป ก็ต้องเพิ่มให้นักขึ้นไปอีกเพื่อทรงความยุติธรรมเอาไว้ผู้ใดไม่ได้กระทำผิดก็สมควรปล่อยตัวไปเสาะฮ่องเต้ทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกย้ายกันไปตามผู้เมืองน้อยใหญ่ท่านแสถูก็ได้รับการแต่งตั้งด้วยอยู่มาคืนหนึ่งท่านฝันไปว่ามีเทวดามาชมเชยท่านว่าการกระทาของท่าน เป็นที่ถูกใจของฟ้าดินมากความจริงท่านแสตถูมีชะตาชีวิตที่ไร้บุตรสืบสกุลแต่เนื่องจากความดีครั้งนี้ใหญ่หลวงนักฟ้าดินจึงประทานบุตรชายให้กับท่านสามคนต่อไปจะได้เป็นคุนนางผู้ใหญ่ทั้งสิน้นและต่อมาความฝันนั้นก็กลายเป็นความจริง มีอีกท่านหนึ่งแซ่เปาบิดาของท่านเป็นคนนางตำแหน่งข้าหลวงท่านมีพี่น้องเจ็ดคนท่านเป็นลูกคนสุดท้องแต่งานแล้วแต่ก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายท่านชอบพอกระทบบิดาของพ่อมากไปมาหาสู่เสมอท่านเป็นคนเก่งมีความรู้มากมายแต่เสด็จไที่สอบเป็นจีเยิ้นตกทุกปีท่านสนใจพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามาก วันหนึ่งท่านไปเที่ยวที่ทะเลสาพแพ่งหนึ่งไปพบสารเจ้าเก่าๆมีสภาพทรุดโทมมากเข้าไปในสารก็ เ, เห็นรูปเทพเจ้ากุณอิมยืนตากฝนเปียกอยู่ท่านจึงรีบหยิบเงินในกระเป๋าของท่านซึ่งมีอยู่สิบตำลึงถวายท่านจะเอาวาดให้ซ่อมแซมให้ดีด้วยท่านจะเอาวาดบอกว่าเงินเพียงเท่านี้นะ่ะไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมได้หมด ท่านยังหยิบผ้าที่เพิ่งซื้อมาสี่พับกับเสื้อผ้าที่ติดตัวมาด้วยอีกเจ็ดชุดถาวายแด่ท่านเจ้าอาวาสคนใช้เด็้คานขึ้นมาว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ล้วนแต่เพิ่งทํามาใหม่ใหม่แล้วท่านจะใช้อะไรมาแทนเราท่านบอกว่าช่างเติดขอให้เทพเจ้าคนอิมไม่ต้องตากแดดตากฝนก็พอใจแล้วเราไม่มีเสื้อใส่จะเป็นไรไป ท่านจะเอาวาดเด็ฟังแล้วประทับใจมากร้องไห้พลางพูดว่าของที่ให้มานั้นหาไม่ยากดอกแต่น้ำใจเช่นนี้สิจะหาได้จากที่ไหนครั้นซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วท่านแซ่เปาขอชวนท่านบิดาให้ไปไหว้เจ้าดีกันคืนนั้นค้างอยู่ที่วัดตกดึกก็มีเทพเจ้ามาเข้าฝันท่านบิดาว่าขอบใจ ที่มาช่วยให้ไม่ต้องเปียกฝนอีกแล้วต่อไปบุตรหลานของท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในราชการมากมายและต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอีกท่านหนึ่งแท่จีท่านบิดารับราชการในกรมราชทันดูมาวันหนึ่งมีนักโทษประหารคนหนึ่งซึ่งถูกปรับปรําโดยไม่ได้ทําผิดอันใดเลย ท่านบิดาสงสารมากจึงปลอบใจนักโทษว่าอย่าเป็นทุกข์ไปเลยจะช่วยเหลือนักโทษจึงปรับทุกข์กับพัญญาว่าเราทราบซึ่งในบางคุณอันนี้ยิ่งนักแต่น่าละอายใจที่เรายากจนมากไม่มีสิ่งของอันใดพอที่จะนำมาตอบแทนพระคุณท่านก็เห็นมีแต่เจ้าเท่านั้นนะ่ะที่จะช่วยเหลือเราได้พรุ่งนี้เมื่อท่านไปทาการสอบสวนที่บ้าน เจ้าจงบอกกับท่านตามตรงว่าเราขอยกเจ้าให้เป็นพัญญาของท่านนางไม่อยากทำเช่นนี้ก็ได้จะร้องไห้พลางรับปากไปพลางด้วยความเศร้าสลดใจยิง่งแต่การกลับผิดคาดท่านบิดาของท่านแท้เจอไม่ยอมรับและช่วยเหลือจนสำเร็จเมื่อออกจากที่คุมขังแล้วสองสามีพัญญาก็เดินทางมาขอพระคุณท่าน และพูดว่าคุณธรรมของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นหายากยิ่งแล้วในโลกนี้หากข้าพเจ้าไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่านเสบ้างคงจะไม่สบายใจไปตลอดชาติจึงใคร่ยกลูกสาวให้เป็นทาสช่วงใช้ขอท่านจะได้ปฏิเสธเลยท่านบิดาของท่านแทจื้อก็รับเอาไว้แต่ไม่ได้ให้เป็นทาสรับใช้ ทำพิธีแต่งงานกันตามประเพณีนิยมต่อมาจึงได้กำเนิดท่านแซจีพออายุได้ยี่สิบปีท่านแซจีกระสอบไล่ได้เป็นคุณนางในกรมประวัติศาสตร์ต่อมาลูกหลานก็ได้เป็นคุณนางกันทั้งนั้นที่พ่อเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเดียกันแม้เรื่องราวจะแตกต่างกัน ล้วนแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติชอบทั้งสิ้นถ้าจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าการทำความดีนั้นดีจริงหรือดีปลอมบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจทำแล้วมีคนรู้เห็นหรือไม่มีคนรู้เห็นทำถูกหรือทาผิดทำได้รู้เท่าถึงการหรือไม่ทำครื่ ง, งกลา ง, ลางหรือทาอย่างสมบูรณ ทำใหญ่หรือทำเล็กทำยากหรือทำง่ายแปดข้อเดียวกันทั้งหมดนี้จะต้องใคร่ครวนให้ถ่องแท้หากกระทำความดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วใสความดีนั้นอาจจะให้ผลร้ายเป็นบาปไปก็ได้เป็นการศูญย์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย เอาละทีนี้พ่อจะมาพูดให้ฟังทีละข้อนะข้อแรกการทำความดีนั้นทำแล้วดีจริงหรือไม่ในสมัยราชวงศ์หยวน ค, ศศคริสต์ศักราช1271ถึง1368หรือพุทธศักราช1814ถึง1911อ มีพระเถระรูปหนึ่งมีนามว่าท่านจงฟงห่องเตนในสมัยนั้นในสถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชท่านมีคุณธรรมลำเลิศมีคนไปน้ำสการท่านมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาพลธิของจีได้พากันไปน้ำสการท่านกราบถามท่านถึงปัญหาหนึ่งมาพระพุทธศาสนานั้น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 หากเราจะวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าใช้ทัศนะของชาวโลกก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางโลกถ้าใช้ทัศนะทางพุทธธรรมก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางธรรมอันปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้แจ่มแจ้งเท่าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยในทัศนะทางโลกจึงไม่อาจถูกต้องเสมอไป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 บางคนก็ยกตัวอย่างว่าการตีคนด่าคนไม่ดีการอ่อนน้อมมีมารยาทดีจึงจะดีบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการละโมบอยากได้ของเขาอื่นไม่ดีการไม่โลภถือสันโดษเป็นความดีท่านจงฟงเถระก็ได้จะสายหน้าว่าไม่ใช่อย่างว่าเสมอไปท่านอธิบายว่า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 จึงจะทำความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็ะจะต้องพิจารณาใคร่ครวนทุกแง่ทุกมุมซะก่อนเิฉะนั้นการวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ความดีข้อที่สอง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 ถึงแม้ใครต่อใครพากนชมเชยว่าเป็นคนดีนักหนาก็ตามทีแต่ท่านนักปราดกลับเห็นว่าคนเช่นนี้เป็นผู้ร้ายในคุณธรรมสอนให้ดีได้ยากหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีความไม่ดีชาวโลกมักเห็นตรงข้ามกับนักปราดอยู่เสมอส่วนเจวดาฟ้าดินนั้นมีความเห็นตรงกับนักปราดดังนั้น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 ที่จะต้องการการตอบแทนจากใครจรึงจะเป็นความดีโดยบริสุทธิ์หากเราทาความดีเพื่อเอาใจผู้อื่นก็ดีหวังการตอบแทนก็ดีก็ไม่ใช่ความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแล้วเป็นการเสแสร้งเพทุบายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จึงถือเป็นความดีแท้ไม่ได้ ความดีข้อที่สามคือการทำความดีมีผู้รู้เห็นมากก็กลายเป็นความดีทางโลกไปแต่ทำแล้วไม่มีผู้รู้เห็นเหมือนการปิดทองหลังพระนี่เป็นความดีทางธรรมความดีทางธรรมฝาดินย่อมประทานผลดีให้ส่วนความดีทางโลกก็จะได้รับแต่ชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคัง่ง เป็นผลตอบแทนการมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นชาวโลกมักจะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาแต่ทางทำแล้วเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้ทําความดีมากพอกับการมีชื่อเสียงจึงมักจะได้รับผลไม่ดีในบั้นปลายแต่คนดีที่ได้รับการปลักปรำจนเสียชื่อเสียงนั้นลูกหลานกลับรุ่งเรืองได้ดีมีสุข พระผู้ที่ได้รับการปรักปรำสามารถอดทนต่อการถูกประนามเยียดยามหวานอมขมกลืนก้มหน้ารับความขมขื่นด้วยความสงบเป็นการสั่งสมกุศลกรรมอย่างใหญ่หลวงลูกหลานจึงมีโอกาสได้ดีเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเห็นความสลับซับซ้อนอันล้ำลึกของการทำความดีที่ดีแท้และดีปลอมจึงจะทาความดีได้ถูกต้อง ความดีข้อที่สี่คือความดีที่ทำผิดหรือทำถูกในแคว้นหลูสมัยชุนชิวนั้นมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งหาก ร, รัศดรในแคว้นหลูถูกจับไปเป็นเฉลยในแคว้นอื่นเมื่อมีคนไถออกมาได้ส่งคืนแคว้นหลูไปก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพราะสมัยชุนชิวนั้นต่างก็ตั้งตัวเป็น อ, องกัน รบราค่าฟันช่วงชิงเขตแดนกันจับฉเฉลยศึกได้ก็นำไปเป็นข้าบทาททั้งชายหญิงแคว้นหลูเป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกําลังไปสู้รบกับใครนักจึงมักถูกแคว้นอื่นบุกเข้ามาจับรัสดรไปเป็นทาสเสมอใครใจบุญอยากทําความดีก็นำเงินไปไถยมาคืนเจ้าผู้ครองแคว้นหลูก็จะได้รับรางวัลทันที ต่อมาท่านจือกงซึ่งเป็นสิทเอกของท่านของจือท่านก็ไปถ่ายเฉลยศึกคืนมาให้แควนหลูแต่ไม่ยอมรับเงินรางวัลเพราะท่านมีฐานะด้อยู่แล้วทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่เมื่อท่านของจือทราบเรื่องเขาท่านก็โกรธลูกศิษย์ของท่านมากท่านบอกว่าแขวนหลูนั้นคนจนมากคนรวยมีน้อย ต่อไปนี้คงไม่มีใครกล้าไปไถ่เฉลยสึกอีกแล้วเพราะท่านจีกงไปทำตัวอย่างเอาไว้เช่นนั้นก็มีแต่คนที่มีฐานะดีจึงจะกล้าเอาอย่างท่านจีกงได้ส่วนคนที่โลภเงินรางวัลก็ดีคนที่ไม่ค่อยมีเงินนักกดดีต่างก็ไม่ทำความดีอีกต่อไปเพราะไม่ได้เงินรางวัลจะทำไปทำไม ดังนี้จึงเห็นได้ว่านักปราดนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นจะต้องระมัดระวังจะทำอะไรผิดไม่ได้คนก็จะพากันทำตามอย่างผิดๆิดไปด้วยความดีก็เลยเป็นความดีปลอมไปต่อมาท่านจื่อลูกซึ่งก็เป็นสิทย์เอกของท่านของจื่อเช่นกันอยู่มาวันหนึ่ง ท่านจีลู่ได้ช่วยคนตกน้ำไว้ได้ชายนั้นให้วัวตัวหนึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตไว้ท่านจีลู่ก็รับเอาวัวนั้นมาท่านของจือเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจมากท่านพูดว่าต่อไปนี้ในแคว้นหลของเรานี้จะมีคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกเพราะเมื่อทำความดีแล้วมีคนเห็นความดี และได้รับการตอบแทนทันทีใครๆก็อยากทำความดีเช่นนี้กันมากขึ้นแต่ในสายตาของชาวโลกแล้วจะต้องมองในทัศนะกลับกันกับท่านของจือเป็นแน่ชาวโลกจะต้องเห็นว่าท่านจือก้งดีช่วยคนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนท่านจือลู่นั้นไม่ดีช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการตอบแทน แต่นักปราดท่านมองการไกลการทำความดีที่มีคนนำไปเป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้จึงจะเป็นความดีแท้ส่วนการทำความดีที่กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเป็นผลร้ายต่อส่วนรวมแล้วไซก็หาชื่อว่าเป็นความดีแท้ไม่สมมติว่ามีคนไม่ดีคนหนึ่งเจียวเกกระระรานผู้คน ถ้าไม่มีคนถือสาเห็นว่าการให้อภัยเป็นคุณธรรมที่ดีนี่ก็เป็นการทําความดีที่ผิดเพราะคนพานนั้นก็ยิ่งเด็ดใจกล้าทําความผิดหนักยิ่งขึ้นคนพานก็จะถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้คนพานเหิมเกลืบหาทางกำราบซะก่อนที่จะสายเกินแก้ก็จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้น บางครั้งการไม่ให้อาภัยคนผ่านช่วยกันกำราบให้กลับตัวได้กลับจะเป็นคนดีแท้ความดีข้อที่หคือการทำความดีด้วยความรู้เท่าถึงการหรือไม่แต่ก่อนนี้มีคุณนางใจเสี่ยงหรือใจเสียงท่านหนึ่งรับราชการในราชการของพระเจ้าอินจงฮงเต ปีคริสต์ศักราช1436ถึงพันส้หรือพุทธศักราช1979ถึง1992ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีด่างพร้อยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปต่อมาท่านปลดกเกษียณตนเองกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของท่านที่ชนบท ประชาชนก็พากันมาเคารพท่านต่างก็เปรียบท่านดุดขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีนคือไทซานและเปรียบดุดดาวเหนือที่สุกใสกว่าดาวใดๆในพิภพครั้นแล้วมีชายที่เมาคนหนึ่งมาด่าท่านซึ่งหน้าท่านเห็นเป็นคนเมาก็ไม่ถือโกรธกลับบอกคนรับใช้ว่า อย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูเสดต่อมาชายขี้เมาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อว่นอดีติตใจเสี่ยงรู้เขา้าเกษียใจมากรำพึงว่าถ้าเราเอาเรื่องเสดจะแรกติดาเราจะไปทําโทษสถานเบาเสถียรอำเภอเขาจะไม่ต้องรับโทษประหารในวันนี้นี่เพราะเราแท้ กรุณาเขาผิดการละไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทำให้เขาเหิมเกรมทำชั่วตัวตายนี่คือตัวอย่างของความใจดีแต่กลับทำให้ผู้อื่นได้รับผลชั่วตอบแทนส่วนการกระทำที่เห็นว่าชั่วแต่กลับเป็นผลดีนั้นก็มีตัวอย่างเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่ง บ้านเมืองเกิดทุพิภยประศรด์ต่างแย่งชิงทรัพย์สินกันเองในกองบัญกแสกมีเศรษฐีท่านหนึ่งไปร้องต่อในอำเภอขอให้ระ ง, งับเหตุก่อนที่จะเกิดจราจนแต่ในอำเภอไม่เอาเรื่องคนยากจนก็เลยได้ใจาพากันยื้อแย่งกันมากขึ้นเศรษฐีเห็นไม่เป็นการจรึงระดมผู้คนของตนออกปราบเองเรื่องจริงสงบ การกระทาของสติท่านนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็ทำด้วยความสุดจริตใจไม่หวังให้เกิดการจราจนจึงเป็นการทำความดีแท้อีกวิธีหนึ่งความดีข้อที่คือความดีที่กระทำครึ่ ง, ก ล, งกลา ง, ลางและทำอย่างสมบูรณ์ในคำพีอี้ จ, จิงได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ไม่สั่งสมความดีจึงมีความดีไม่พอที่จะได้รับชื่อเสียงดีผู้ที่ไม่สั่งสมบาปย่อมไม่รับเคราะห์กรรมถึงตายได้ในประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงราชวงศ์สางหรือเสียงก่อนคริสต์ศักราช1766จหรี 66, 2, หรือก่อนพุทธศักราช 1,223 หรือ579ว่าเจ้าหวางซึ่งเป็นห้องเต้ติโหดร้ายที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนและเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางถูกปราบสำเร็จโดยโจ้าหวางหรือจิวบูอ๋องในปีก่อนคริสต์ศักราช 1,122 ก่อนพุทธศักราช579เจ้าหวางสังสมแต่บาปกรรม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 แต่ก่อนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดเพราะอยากทําบุญแต่มีเงินเพียงสองอิปปความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิดเดียวแต่ค่าของความมีใจอยากทําบุญนั้นเหลือหลายท่านจะเอาวาดจิงกราวอนุโมทนาคาถาเองให้ศีลให้ปรเองต่อมาหญิงนั้นได้เป็นพระสนมของฮ่องเต้ มีเงินมากมายจึงนําเงินไหลพันตเลึงมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทําบุญคราวนี้เจ้าอาวาสให้พระลูกวัดกล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศินให้พรแทนพระสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ายากจนมีเงินทําบุญเพียงสองอิปแปแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคาถา และให้ศีลให้พรข้าพเจ้าดีตนเองมาบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนำมาถวายหลายพันตำลึงแต่ทำไมท่านกลับให้พระลูกวัดทำหน้าที่แทนท่านเราท่านจะเอาวาดกล่าวว่าแต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทำบุญน้อยจะใจท่านั้นเปลี่ยนไม้ได้เจตนาที่เป็นกุศลมาบัดนี้แม้ท่านจะมีเงินทำบุญมาก แต่ใจของท่านนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนใช่แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อาตมาไปกล่าวเองนี่คือตัวอย่างของการทําดีที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยราคาของเงินมาวัดความดีนั้นทําบุญด้วยเงินน้อยนิดกลับเป็นบุญที่เต็มเปี่ยมเพราะจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศลเจตนาแม้ทําบุญด้วยเงินมากมายหากจิตใจมีศรัทธาเพียงชุ่นๆุ่นกลาง การทำความดีก็จะได้ผลเพียงครื่งๆกลางๆเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งมีเซียนท่านหนึ่งชื่อว่าจงหลี่แต่เป็นชาวฮั่นก่อนคริสต์ศักราช206หรือคริสต์ศักราช8หรือพุทธศักราช337เถึง551เเมื่อตายได้สำเร็จเป็นเซียนผู้วิเศษ สเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ลหลายร้อยปีจนถึงสมัยราชวงศ์ถังคิศรา .618-907 ถึง 7, หรือพุทธศักราช .1161-1450 ท่านเซนจงหลีก็รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านหลีต้องปิงต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าหลีจงหรือว่าหลี่โจ ท่านเป็นคุณนางรับราชการเป็นในอำเภออจุ่สองครั้งเมื่อมีโอกาสพบเซียนผู้วิเศษท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างต่างในรัติเตา๋ารวมทั้งการนั่งสมาธิด้วยท่านติดตามเซียนผู้วิเศษไปฝึกสมาธิที่ภูเขาแห่งหนึ่งจนสำเร็จได้เป็นเซียนเช่นกันต่อมาท่านจงหลีได้สอนให้ท่านเลือโจรู้จักผสมยาวิเศษ จึงจะเอาอยานั้นยดลงที่เหล็กเหล็กนั้นก็จะกลายเป็นทองสามารถนำไปช่วยเหลือความยากจนของผู้คนได้ท่านหล่โจจึงกราบถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นทองแล้วจะกลับเป็นเหล็กดังเดิมอีกไหมท่านจงหลีบอกว่าเมื่อครบห้าร้ปีแล้วก็จะกลับสภาพเดิมได้ท่านหล่โจจึงปฏิเสธ ไม่ยอมทําเหล็กให้เป็นทองเพราะท่านเห็นว่าเมื่อครบ500รอปีแล้วก็จะทําให้บุคคลเสียหายมากมายเพราะอยู่ๆทองในมือก็กลายเป็นเหล็กไปเสียแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายเป็นการให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่เป็นทรรการที่ท่านจงหลีลองใจเลลยโจครั้งนี้ทาให้ท่านภูมิใจในลูกเศรษฐของท่านเป็นอย่างยิ่ง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 การทำความดีนั้นเมื่อทำแล้วก็แล้วกันอ่าได้นำมาคิดถึงบ่อยๆเราก็ว่าการทำดีนั้นยิ่งใหญ่นักใครก็ทำไม่ได้เหมือนเราแต่คิดเช่นนี้ความดีนั้นจะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่นำมาใส่ใจอีกคิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึงจะดีก็จะเป็นความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่ลน เช่นการให้เงินแก่คนยากจนในใจของลูกจะต้องอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ให้ภายนอกก็อย่าไปนสนใจว่าใครเป็นผู้รับแม้แต่เงินที่เราบริจาคไปแล้วก็มองไม่เห็นว่าสาคัญตรงไหนให้แล้วก็แล้วกันลืมซยให้ได้ไม่กลับมาคิดอีกเพืเสียเวลาเช่นนี้เรียกว่าทำความดีด้วยจิตว่างเปล่าเมื่อไปได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลย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 ความดีข้อที่เจ็ดคือความดีที่ใหญ่หรือเล็กมีคุณนางผู้หนึ่งมีนามเบอร์เบยจงตะรับประจการอยู่ในกรมประวัติศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งถูกจับไปยังยมโลกพปยายมได้สั่งให้เสมียนในยมโลกนำบัญชีดีชั่วของท่านเบยมาให้ดูปรากฏว่าบัญชีชั่วนั้นช่างมากมายกายกอง วางจนเต็มห้องไปหมดส่วนบัญชีความดีนั้นเล็กนิดเดียวมีขนาดพอๆกับตะเกียบข้างหนึ่งเท่านั้นพญายมสั่งให้คนนำตาช่างมาช่างปรากฏว่าบัญชีความดีนั้นแม้จะเล็กนิดเดียวแต่กลับมีน้าหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่รวมกันแล้วทั้งหมดท่านเบยมีความสงสัยเป็นอันมาก จึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึงสี่สิบปีฉันั้นความชั่วมากมายเช่นนี้พญายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดไม่ชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้วเช่นเห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพัตจิตที่คิดไม่ชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันทีท่านเบยถามต่อไปว่า ถ้าเจ่นนั้นได้บัญชีความดีอันน้อยนิดนี้ได้บันทึกไว้ว่าอย่างไรพญายมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้องเต้ทรงดำริจะซ่อมสะพานหินที่เมืองฝูเจียนท่านเกรงว่ารัศดนจะเดือดร้อนจึงถวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราชดำรินั้นเสะ